กลางก็ยังไม่เตรมความประสงค์ว่าจะมาอา ต, ตมามีความรู้สึกว่าควรจะมีมากกว่าตวันออกกลางแต่ถ้าจะถามว่าเมื่อไรจะพบของมากก็ตอบว่าเป็นเรื่องไม่ยากของที่เห็นแล้วมีแล้วถึงแม้ว่าจะน้อยไป การจะหาของใหญ่ที่มีมากกว่านี้ก็เป็นของไม่ยากเพราก่อนของไม่เห็นยังไม่เห็นมีก็ยังบอกว่ามีได้แล้วก็มีมาแล้วตอนนี้ไปก็ขอบอกว่าของใหญ่เขาจำนวนมากจะมีอีกถ้าจะถามว่าใช้เวลากี่ปีก็ขอตอบว่าไม่ใช่เป็นที่รึกษานี่จะได้บอกให้ บอกให้ก็ถึงแม้จะบอกให้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใครเขาจะเชื่อเนื้อของมันอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าของมันก็อยู่ ใ, ใกล้ๆกันไอ้ของเล็กมันก็ตั้งอยู่สูงกว่าของใหญ่น้ํามันที่บรรดาบริษัทต่างหลายพบได้มันคือเป็นตัวอย่างว่าประเทศตะวันทันประเทศไทยมีน้ำมันแต่ของจริงๆนั้นมันต้องมี และก็ต้องมีมากจะ ถ, ถามว่าเมื่อไรก็ต้องรอคุณกันก่อนทั้งนี้ก็ต้องถามเทวดาผู้เป็นย่าเจ้าหน้าที่ของท่านท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับบุญบรารมีก็หมดเรื่องกันไปเรื่องนี้ก็เลยไม่ต้องพูดกันพ้นและก็กลุ่มเลยเปล่า ต่อไปก็พูดกันใหม่มาคุยกันเรื่องทองคำดีกว่าทองคำที่เจอมาไรขายได้เหมือ น, นั้นเอาเปไปง่ายๆแล้วก็ขอคุยเรื่องทองคำที่เอาไม่ได้เช่ด้วยเรื่องทองคำธรรมชาติรู้สึกว่าท่านห่วงน่ะความจริงท่านห่วงท่านบอกว่ายังไม่ถึงวาระห้ามบอกสถานที่ แต่ว่าทองคำส่วนนี้บอกสถานที่ได้ก็ขอยืนยันว่าเอาไม่ได้ด้วยกําลังคำหน้าทีวานุภาพแต่ว่าท่านพูดจะเอาถ้าเป็นเจ้าของมามอะไรก็ได้เหมานั้นพบเมื่อะไรก็ได้เหมานั้นเว้นไว้แต่ท่านเจ้าของจะไม่เอาดีไม่ดีท่านเจ้าของป่าไปเป็นพระอนาคามีขึ้นไป เห็นเท่าไรก็ตาเปลือแล้วคําว่าตาเปลือไม่ใช่อยากได้จนตาเปลือท่านไม่อยากมองเพราะว่าทองเป็นปัจจัยของความทุกข์ก <c oughs> ็ลงความว่าเอาเนี่ยเรื่องคนนายกันเลิกไปลําคาญคนฟันลําลคานนี่เปล่าไม่าราบแต่คนพูดเริ่มล้ำคานตัวเองเอางี้ก็แล้วกัน มาดูกันใบริเวณวัดท่าสูขเขตรั้วกันยืดรั้วใหม่ให้ไยันที่สงเดิมที่สงเดิมเนี่ยเขาจดครองเขาตกถึงครองยางใต้ลงไปปรมีนิดเดียวแต่ว่าฉ น, นดใหม่มาไปติดโรงเรียนที่อย่างนี้ว่าก็แสดงว่ามีผู้เอาที่วัดไปเป็นที่ของโรงเรียน เดี๋ยวว่าเจะวัดองค์ใดหนึ่ง้ายกจะโอนให้โรงเรียนอันนี้ก็จะถือว่าทางโรงเรียนผิดถ้าได้การผิดตะคงไม่ผิดถ้าไม่ให้เขาเอาไม่ได้วัดต้องให้เนื่องนา่ายองวัดจะมีเพียงใดก็เป็นเรื่องเขาคนเวลานั้นเรามาไม่ทันแล้วไม่รู้เรื่องเขาคงไม่ผิด เอาที่เก่ากันจากที่เก่านี้ไปถึงที่เก่าทิศปรากฏแล้วคือยันฟองอยาวมีทองไหมมีทองที่มีเจ้าของซึ่งยังไม่มาเกิดมีไหมก็ตอนตอบว่ามีความจริงแหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีโชคคือแหล่งวัดท่าสูงถ้าจะไปดูคนแหล่งวัดอย่างแหล่งวัดยานี่ก็ทองไม่น้อย จากวัดใหม่ที่ตั้งใหม่ทองน้อยกว่าบริเวณเขตของวัดเก่าเขตของวัดเก่ามีทองอยู่หลายจุดจะได้จุดหนักเป็นตันเหตุวัดท่าสูงกันไหมกันฉะนั้นเทวดาชั้นจารุมาร่าจึงมีมากถ้าใครถามว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกเขเลยบอกว่าอย่าไปขุดเลยถ้าเดียวของเขาควบเฝ้าเขาไม่ให้อย่าขุดไม่มีความหมาย เรื่องการขุดทองที่เดี๋ยวของไม่ให้แต่ผู้เฝ้าไม่ให้มันมีมาแล้วอาตมาก็ไม่จะไม่เล่าเรื่องเพราะอาตมาเองที่โดนผีเอาวาดภายเรือมาจากวัดสงก่อเมื่อเขาไม่ให้เหมือนกันไป ก, นกับเพื่อนก็อยากจะรู้วิธีกรรมเขาเพื่อนไปยังไงถึงเขาจะขุดทองกันก็เป็นเห็นวิธีกรรมแลแ่อำนาจของวิธีกรรมไม่โตไปกว่าอำนาจของทวยดาผู้อาณา จะลงความว่าคนถึงไม้เจได้่ขนาดไหนก็สู้เทวดาไม่ได้ตอนนี้ในเมื่อสู้เทวดาไม่ได้ก็จะไปสู้มันเลยหมดเรื่องเทวดากันก็งความว่าของนี้แล้วกันของที่เขาไม่ให้ใจะไล่ฟังสักเรื่อง่มันมีคนคณะหนึ่งเป็นคณะได้ไหลแทงมา คำว่าเป็นลายแทงอะยแทงเขาเขียนเป็นแผนที่แล้วมีคําอธิบายเสร็จ <c oughs> ว่าที่ตรงนี้มันอยู่กลางทุ่ง <c oughs> ที่ตรงนี้มีทองคํามีต้นไม้ชื่อ น, นี้แล้วก็มีไม้ปักตัวอย่างตรงนี้ที่ไม้ปักจะตรงตรงตุ่มทองคําพอดีเขาทั้งอณะมาก็ตั้งศาลเพียงตา แต่งชานเพียงตาบูชาเทวดานุ่งขาวห่มขาบูชากันไหวรุมปุมมำปุมมำถ้าถามว่าทําไมจึงรู้ก็บอกว่าไปยืนดูเขาว่าเขาไม่ได้ปกปิดนี่ถ้าถามว่าไปยืนดูเขาเมื่อไรต้องตอบทำไมานั่นยังไม่บวชแต่ไม่มีเจตนาที่จะไปแย่งเขาอยากจะดูเขาเขาไหววางใจเขาจึงบอก เมื่ขาบอกก็เชิญชวนเพื่อนอีสองเพื่อนอีสองคนไปด้วยไปดูพิธีกรรมเวลานั้นยังหนุ่มยังแน่นก็ยืนยันกับเขาว่าอันตรายต่างๆที่จะพึงมีมาเจ้าเราสามคนขอรับไปกันถ้ายังไม่ตายเพียงใดโจรปล้นไม่ได้ถ้าโจรจะปล้นเจ้าของทองคำก็ต้องปล้นเราสามคนก่อนทั้งนี้ไม่มีอะไรจะประสา ต้องการอยากจะรู้เขายาก็ยังไงมันเป็นในเพียงข่าวเล่าลือพอไปถึงแล้วเขาตั้งศาลเพียงตา ท, ทําทําพิธีบวงสวงนองเขาเ hmm. ขาสามคนในห้าคนก็เตรียมเครื่องมือกคมาเตรียมจอบเตรียมเสียมพอตั้งศาลเพียงตาเสร็จบวงสวงเสร็จยินเสียงคือคราคือคราคือคราใต้เป็นดิน เราไดยินเสียงมันตีปากหายปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งเขาแน่นอนเขาแน่าจริงๆเขาทาเก่งไปแล้วไปดูเทียนเทียนมันเตาไฟลูกสวยที่ขึ้นฟูเป็นสีเขียวท่านเจ้าของผู้บสสบอกว่ามีผลเทวดานุมัติแล้วเขามีวิธีดูกันถ้าไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็เขาจะไม่มัดแต่เขาเขาจะไม่ทำเขาต้องมีวิธีกรรมรู้เทวดาให้หรือไม่ให้ หลังจากนั้นเขาก็กั้นสายสินวงสายสินเสร็จเขาเขาสารซัดแบบที่มั น, นคล้ายคลึงกันจริงๆนะซัดเสร็จเขาก็ลงมือขุดขุดไปขุดมาขุดมาขุดไปไม่ลึกเท่าไรหร่เลยตื้นมากประมาณประมาณหนึ่งเมตรก็เจอตุ่มใหญ่ตุ่มตุ่ใหญ่มากใหญ่กว่าตุ่มน้ําที่เขาใช้ตาดาในปัจจุบัน ก็กดอ้อมตุ่มเข้าไปลึกลงไปให้ตุ่มโผล่ขึ้นมาประมาณทักซึงศอกหรือใศอกจะได้ในที่พออ้อมไปแล้วก็ตุ่มเด้งขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ขึ้นจากดินนะอ้อมตัวทุยินบูลงไปที่ปากตุ่มมีหินปิดเขาก็ขุดล้อมอยู่ท่านยกแผ่นหินขึ้นมาพ้นพอยกแผ่นหินขึ้นมาพ้นบรรดาท่านผู้ฟังตกใจพลาด ทองเหลืองอารามหรือจริงๆประทองร้อยเปอร์เซ็นมีทั้งสองอย่างทั้งทองแท่งขานาดเล็กและก็ทองลูประพัน์นอกจากนั้นยังมีแหวนวงโต ๆ, ๆก็ยังมีค้อยเหล็กเรียบหลอกข้อมือหล่อข้อมืออันใหญ่ๆหลอห่อข้อมือของเขาที่จะใส่ใส่โคนแข็งเราก็หล้วมพวกเหล็กแสดงว่าโคนสมัยนั้นโตมากทุกคนก็ดีใจ ต่างคนต่างที่คนทุมเพชรสิงก็ทิ้งเพชรสิงคงบวงสวงกันลพิดีกรรมคนฉุดก็วางจอบวางเสียงวิ่งกันไปหาตุม่มตอนที่ก็วิ่งกันไปก็ไม่ทราบว่าเขาจะวิ่งไปไหวตุม่มวิ่งไปกราบตุม่มแล้ววิ่งไปเอาทองแต่ความจริงมันก็ไม่น่าจะรีบเพราะว่าขุดมากรอกไปประมาณสอง้วตุ่มโผล่ประมาณองก็น่าจะขุดให้หมด พอทุกคนรีบวิ่งขับไปพอถึงตุ่มเอื้อมมือไปจับเขาจะจับตุ่มไม่จับทองไม่ทราบจะกลางวันนั้นไม่ใช่กลางคืนลาตัวระตุมเลื่อนฝืนดินเึงโครงไปเลยไม่ทั่วไปถึงไหนมีคนพอคลาคลายเขาไปดูได้บอกไปไม่ไหวแล้วไปไกลมากมองไม่เห็นนี่ป็นเรื่อัซาใจของเทวดาผู้รักขา ในเมื่อเรรดาท่านไม่ให้ท่ไม่ไปทานยันได้ท่านก็มาสงสัยว่าไปบอกให้เขาไปบอกให้เขาแล้วเขาทําตามวิธีกรรมทำำําคําแนะนำแต่ทาไมยังไม่ให้กลับมาบ้านบ้านอยู่ใกล้บ้านท่านอาจารย์เท ศ, เาเทศเาเอาจารย์เทศเนี่เป็นครวญทานก็ไปกราบกราบท่านอาจารย์เทศแต่ท่านเทศท่ดูทําะไรเก่ง ถ้าเยาว์ยาคนให้ใครถ้าว่าใช้หลับตาปีประเดี๋ยวจะตอบพอเวกรากบคราฟท่านท่านเจนเท่ก็ยิ้มทำไมทันจะหลับตาท่านก็ถามว่าสงสัยที่ตุ่มหรือวิ่งไปในผื้นดินจช่ไหมต้องตกใจทันทีถามว่าใจอาจารย์จะมาจะทราบฉันบอกว่าทําไมจะไม่ทราบปจิวดามาบอกฉันนี่เขาวาดนะให้ดีนะบรรดาท่านบุกฟัง อาจารย์เทพดีมีคนเคารพนับถือมากการเป็นคราว่าที่เ ค, คร่งคัดในศีลในธรรมก็กินข้าวสามเวลาเหมือนกันมีลูกมีเมียเหมือนกันแต่ศีลธรรมที่ครวา่าที่คุณปฏิบัติได้ถึงเคร่งคัดมากเป็นคนที่บรรดาประชาชนในแถวหลายๆตำบลเคารพนับถือมากคนมาหาท่าน ว, นวันวันหนึ่งมากกว่ามาหาจเจ้าวา่าที่วัด ดีพออย่างยิ่งมาขอพยากร์บ้างมาช่วยสะดอกเราะบ้างช่วยบรรเทาทุกข์บ้างท่านก็ทําทุกอย่างที่ท่านมีความสามารถกลวงความว่ากระฐามได้ว่าเป็นเพราะอะไรให้เขาแล้วเนี่ยยี่บัยไห่เท็จก็บอกว่าเขาทําผิดท่านสั่งให้เขาสั่งให้มาเฉพาะแต่นี่คนของเขาเกินมาห้าคนคนขุด ปิงปิงแล้วสามคนที่หน่งเขาของมเข า, าเขาทําไปเฉพาะเขาจะได้ทองคําวันนี้แล้วก็มีผู้เธอไปสารคนเข้าไปรวมกลุ่กันเทว ด, ดาเขามาบอกฉันบอกทําผิดระเบียบผมให้ไม่ได้ต้องรอไปก่อนกระรองความคาร้องเทว ด, ดาก็ไม่มีเวลานี่ระบรรดาท่านบุกฟังเรื่องพี่พเทวดาเฝ้าทรัพย์ก็มีนุภาพอย่างนี้นะยังมีมากกว่านี้เยอะ นาวันหน้าจะคุยกันอีกเรื่องความมรดกทรัพย์ในดินสินแนน้ำมีจริงแต่สิทธิที่เราจะพึงได้ไม่แน่นอนละัะดังนั้นทอในบริเวณวัดท่าสูงก็ดีวัดยางก็ดีขอยืนยันว่า น, นอกจากทองข้าวาเจ้าจากักรพรรดิยังอยู่ลึกมากเป็นกิโลยาจอดำไปเลยไม่พบหรอก แค่เอาแท่งทองใหญ่ๆมาวางบนถนนยังมองไม่เห็นเลยก็จะไปเจาะทําไมไม่เกิดประโยชน์ยิ่งเกิดความโลภบอกไว้ก่อนเลยบอวกก่าไม่มีสิทธิ์ดีๆเพราะอย่างยิ่งทองหน้าหน้าจะทองพระเ จ, เจาะ้าจักพรรดิที่อยู่ตื่นกว่าแต่ว่ามีเทวดารักษาเข็มแข็งมากก็ไม่ตื่นนักคําว่าตื่นกว่าที่เจาะไปครึ่งกิโลยังไม่ถึงเลย ทั้งหมดทองคําที่รักษ า, านี่อยู่ลึกมากแต่ว่าเขาจะให้เขานาขึ้นมาตื้ น, นใคใกล้ผิวดินกระงความว่าท่านบนใดถ้ามีวิชาความรู้อยากจะพิสูจน์เลยก็เลยก็ล้องพิสูจน์ก็ได้่แปลกที่นิทานนะถ้าที่พิสูจน์แล้วจะพบแต่ ด, ดินหรือว่าหินใต้ดินยัจะมาว่ากันนะเพราะนี่มันเป็นเรื่องนิทาน นิทานนี้ก็เล่าตรงทางความเป็นจริงได้แต่มีเหตุว่าเราไม่ยืนยันจะต้องเรื่องโบราไปหรือวิลายกา้ามทีเอาอะไรดีออกจากจังหวัดอุไทยธา น, นีข้ามไปฝั่งมโนรมดีไหมเดินต่อแต่ต่อแต่ตแตคลานบ้างเดินบ้างอิรุปปับปับปั บ, ป บ, ปบข้ามน้ําไปเพราะไม่มีเรือมารับไปมองดูเรือก็ไม่มีใครเข้ามารับ พูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้ก็มีใครเขาพูดด้วยเขาไม่สนใจเมืก็เราเป็นลมเมืเ่อเราเป็นลมแล้วบรรยากาศเมื่อไม่มีใครเขาสนใจไม่มีใครรับแล้วก็เดินข้ามน้ําเป็นกระดายมันต้เล็กๆแม่น้ําเป็นของหลวงหลวงอะหลวงตาเวลานี้หลวงตาข้ามไปก็เป็นของหลวงตาถ้าหลวงตาไม่ข้ามไปก็เป็นของหลวงท่านของหลวงส่วนกลาง เมื่อข้ามไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไปแวะที่วัดแกนเหล็กก่อนดีกว่าไหมถ้าจะไปแวะวัดแกนเหล็กก็มีอะไรบ้างมีแต่ผีแมวไ่ดีกว่าเลยไปที่ธรรมมูลธรรมามูลที่มีทรัพย์มากมีทรัพย์เยอะ ในเชิงเขาในถ้าเล็กๆแถวนั้นมีซับมากแต่ว่าเข้าไปได้ยังไงนี่เมื่อพวกตั้งแถวยาวเหยยีวตั้งแถวสามชั้นไม่แจมตั้งแถวรับรสดแสดงความเคารพนะทุกคนในแถวมีกระ บ, บองหมดถ้าเขาแสดงความเคารพโดยกระ บ, บองตีหวัวน้ำก็แย่ยเป็นกันทีเลยยกมือโบอกให้บพี่ชายใบบายไปก่อนนะนะ จะยืนตั้งแถวที่นี่จะไม่แวะเข้าไปละคนหน้าเขก็ยกมือไหว้เขาถานจะไปไหน้วครับตกโน้นพี่ไปเขาที่บอกชื่อไม่ได้หลังจังหวัดเชียนาดอีกเขานี่บอกชื่อไม่ได้ถ้าความจริงถึงแม้ไม่บอกแต่คนเขาสนใจก็รู้ถ้ารู้เองไม่เป็นไรบอกชื่อเสียไะเบียบ ก็ย่องพาไปเขาไปถึงจังหวัดเชียงนาถถึงทางสามแยกขึ้นสี่แยกสามแยกก็แล้วขึ้สี่แยกก็แล้วกันนะไปตามถนนคการิงเดินมาต่อสายถนนเขได้ผูถนนก็าเลยกันไปถึงสี่แยกวับหันหลังเข้าเมืองจังหวัดหันหน้าเข้าเมืองจังหวัดชีนงนาถก็บอกแถวกับหลังหันแถวกับหลังหันแถวามีใครบ้างคนเดียว ไปคนเดียวก็กลับหลังคนเดียวก็พร้อมเพียงกันดีแต่เท่าที่มีไปอีกท่านก็อยู่นอกแถวมันจะไม่ตลอดแล้วลคำสัง่งนั่นคือยายายิ้มในสียิ้มสามสี่แม่ยิ้มสามสี่สิบแม่ยิ้มท่านท้ามหาราชยิ้มสีมหาราชท่านอินทรกะยิ้มท่านปู่ยิ้มท่านปู่ใหญ่ก็ยิ้มพระก็ยิ้ม ถามท่านปู่ใหญ่บอกว่าท่านยิ้มอะไรท่านว่าคุณฉันเป็นพ่อคุณนะแต่ที่ฉันยิ้มอาจจะไม่ได้ยิ้มคุณนะ่ะฉันยิ้มคนอื่นที่ก็เห็นว่าคุณเป็นนบ้าตั้วคนเดียวบอกแถวได้แถวหน้าเดินแถวหลังเดินแทงกับหลังหากับหลังหันกับหลังหน้ากับหน้าเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องบอกเราเป็นคนคนเดียวท่านถามจะไปไหน ท่านบอกว่าจะไปหาท่านมหานาคัมท่ามหานาคาท่านปู่ใหญ่ก็บอกว่าอ๋อท่ามห ah านาคาอดีตพ่อของคุณใช่ไหมท่ามหานาคาเนี่ยอดีตเคยเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองในแถวโนู้นย่านนครสวรรค์ตะครีแล้วก็ทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นของคุณแบ่งให้คุณที่เป็นราชโอรสคือลูกชายอันนี้ประวัติมันดึกยําวัน เอามาไว้ที่เขาลูกนั้นทองที่เป็นทองแท่งจริงๆมีน้ําหนักประมาณ13ตันแต่ทองรูปประพันจริงๆก็มีน้ําหนักประมาณครึ่งตันกับบรรดาเครื่องเพชรอีก3ถังสร้อยเพชรหูเป็นต่างเพชรต่างแหเพชรแหวนเพชรเพชรทุกอย่างเพชรที่ประกอบแล้วแต่เพชรที่ยังไม่ประกอบเป็นหูแหวนเป็นสร้อยต่างหา คุณจะไปที่ภูเขาลูกนั้นใช่ไหมก็เลยตอบทิมที่บอกวาใช่ลองเอาก็ไปได้นี่คุณไม่ต้องต่างท่าโยมคุณมาแล้วคือพ่อเก่ามาแล้วท่านท้าวมหานาคาท่านท้าวมหานาคานี่เป็นเทวดาชั้นจารุมหาราชเป็นเทวดาด้านพิศมันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุฬปักพอท่านมาแล้วท่านแสดงความเคารพท้าววิรุฬปัก ให้วิรุฬปักก็บอกว่าเข้าไปคุณกับลูกชายก็แล้วกันจะให้อะไรกันบ้างท่านก็รายงานบอกตั้งแต่ปีพศ .2588 ผมบอกให้แล้วสองครั้งทําแผนที่ก็ทําให้แล้วทําขีดก็ขีดให้เข็งก็เขียนให้บอกจุดให้บอกทางให้เปิดทางให้ทุกอย่างหินผาหน้าไม้ยที่บางใบผมก็รื้อให้หมดบางแล้วแค่ เปิดหินไม่กี่แผ่นก็จะเริ่มพบทองคําแต่ว่าเอาเสมาไรครับ <c oughs> บอกให้ยกเป็นของพระพุทธศาสนาไปบูชาพระลัตนตรยัยเคยบอกให้ยกเป็นของหลวงก็เลยถามว่าหลวงอะไรเวลานี้เขาไม่ได้ตั้งหลวงกันแล้วท่านลุงชายบอกเวลานี้หลวงเถิงเขาไม่ได้ตั้งกันแล้ว เขาให้พระรัตนตรยัยดีกว่าถ้ายังมีคุณหลวงคุณคุณพระอยู่ก็จะให้ท่านปู่ใหญ่ก็ถามว่าเวลานี้ขออยู่เขาบริบูรณ์เลยอาจารย์ใหญ่ที่นั่นเดี๋ยวก็เคยขอไว้ก็เอาอะไรไปบ้างที่ท่านถามกันในความจริงท่านรู้ท่านใหญ่ท่านธมารู้ท่านเท่ามหานาคาท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลย เัาเป็ น, นเพียรออกปากขอแต่ส่วนของเขาเขาไม่ขอของเขามีหายเดียวแต่เขาจะขอส่วนใหญ่ของลูกชายนี่ผมก็ให้ไม่ได้เป็นคนละสัยคนละส่วนเขาบอกว่าจะไปสร้างในสร้างอาคารในพุทธศาสนามันก็คนละเรื่องอย่างนี้ต้องถือว่าเธอมีความโลภอนุมัติไม่ได้อารมณ์บบรรดาแท้พุทธบรรคสัจทั้งหลาย เราไปกันยังไม่ทันถึงดีกว่าเพราะว่าเวลามันเหลืออีกสองนาทีเราก็มาคุยกันตรงนี้เพราะรายการนี้เป็นรายการธรรมะ <c oughs> ในเนื้อแท้จริงๆเราได้ธรรมะอะไรบ้างในนิทานจริงๆถ้ายาทธรรมะกันก็ได้เยอะแต่ถ้าดิคิดไม่ออกก็มันเป็นวิปัสสนาญาณเอาก็นอย่งดีกว่าทุกท่านที่กล่าวมาแล้วท่านตายหมด ตายจจกคนไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นโสมบ้างแล้วก็มีพระเท่านั้นที่ตามมาท่านอยู่เหนือพรหมท่านมีความสุขความจริงเป็นคนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดียังไม่พ้นความทุกข์เป็นเทวดาหรือผมตายจากความที่เทวดาหรือผมก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสติชานบ้างไม่มีความสุขจริงสู้ไปไม่ผ่านไม่ได้ ถ้าไปนิพพานจะไปทางไหนขึ้นตน้นเสก่อนที่ไปนิพพานก่อนจะทําอะไรก็ตามขึ้นต้นปักเสาเส ก, ก่อนลงเข็มเสี ก, ก่อนนั่นคือหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายทุกคนอย่าลืมความตาย <c oughs> ยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่ หลังจากนั้นก่อนจะตายก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจอย่าสงสัยในความดีของท่านพระเราต้องเลือกพระสงฆ์เราต้องเลือกถ้าพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็ต้องเลือกองค์ไหนคนไห้องไหนคนเคารพองไหนไม่คนไห้องไหนไม่คนเคารพองที่คนไหวคนเคารพแล้วเคารพก็ไห้ด้วยความจริงใจ องค์ที่ไม่ควรไหว้ไม่ควรรบแต่จําเป็นต้องไหว้ก็ไหว้โดยมันยากเขาเรียกว่าสักเทว่าไหวเพราะท่านพระประเภทนี้ไหว้แล้วไม่มีอานิสงส์อานิสงส์ที่เพิงมีก็สร้างความเดือดร้อนให้ต้องอถิพกระอริยะเป็นสําคัญกระอริยะตั้งแต่เบโสดาบังยิบไ ป, ปไม่สร้างความเดือดร้อนหลังจากนั้นทุกคนก็มีสินห้าแล้วก็หมดสิบให้ครบถ้วน คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุดผิกรรมสีไม่ดื่มโซดาจะเมลัยในทางกายทางวาจาไม่พูดโดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเหลวไหลและประโยชน์ทางจิตใจไม่อยาดด่างทรัพย์สมัยต้องใครโดยไม่ชอบธรรมไม่จองร้านจองแสนใครจะยอมรับราถีคําสอนพุทธเจ้าเท่านี้เราตั้งต้นปณิพนันได้อรบรญดาทั้งพุทธริษัทั้งไร ิวลาเหลืองแค่สิบวินาทีกำขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ุณผ ล, ผลยงมีแดบบ่บรรดาเจ้าพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี